เราอยู่ไปวาดภาพการปฏิบัติธรรมนะมันยุ่งยากส่วนมากวาดภาพไหมวาจะปฏิบัติธรรมนะต้องนั่งหลับตานั่งสมาธินานๆหลายชั่วโมงเดินจงกรมเยอะๆต้องอดข้าวเย็นต้องอย่างโ น, น้นต้องอย่างนี้เรื่องมากเรื่องมากเกินเหตุการปฏิบัติธรรมจริงๆคือการเรียนรู้ตัวเอง สิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็มีกายกใจรูปธรรมก็นามาทำก็นน ท, ำทำไมต้องมาเรียนความทุกข์มันอยู่ในกายในใจเรานี่เองความทุกข์ถ้าไม่อยู่ที่ร่างกายก็อยู่ที่จิตใจเราจะมาเรียนจงกระทั่งรู้วิธีที่เราจะอยู่กับความทุกขนะ์ทางร่างกายความทุกข์ทางร่างกายเนี่ยยังไงก็มีหนีไม่รอดหรอกพระพุทธเจ้าวันจะพุทธิปานเล ยังถ่ายเป็นเลือดอยู่เลยะงั้นทางร่างกายเนี่ยหนีไม่ได้งั้นเราจะอยู่กับความทุกข์ทางร่างกายโดยใจไม่ทุกข์ส่วนทางจิตใจเนี่ยเราจะถอดถอนความทุกข์ออกจากใจได้อย่างเด็ดขาดใจจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปใจของคนในโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกขนะ์ใจของสัตว์ทั้งหลายเต็ไมไปด้วยความทุกข์พระพุทธเจ้าสอนวิธีให้เราถอน เรียกว่าลูกศอนลูกศรลูกธนูบอกคนทั่วไปเนี่ยถูกลูกธนูหญิงถูกร่างกายเนี่ยเจ็บเข้าไปถึงใจใจเป็นทุกข์ด้วยส่วนภระรยาบุคคลที่ฝึกมาดีแล้วเนี่ยถูกหญิงด้วยลูกธนูที่ร่างกายคือร่างกายยังไงก็แก่ยังไงก็เจ็บยังไงก็ตายแต่ว่าไม่ถูกลูกธนูลูกที่สอง คือไม่เจ็บปวดที่ใจใจมีความสุขงั้นเราจะเรียนรู้วิธีนะที่เราจะอยู่กับความทุกข์ของร่างกายหรือความทุกข์ในโลกข้างนอกเนี่ยแบบทุกน้อยๆหรือไม่ทุกข์ส่วนทางใจเราจะฝึกไปเรื่อยนะความทุกข์ของเราจะสั้นลงสั้นลงความทุกข์ของเราจะเบาลงแต่เดิมเคยทุกข์นานต่อไปนี้ถ้าเราพาวนาไปเรื่อยนะความทุกข์เราจะสั้นลงเรื่อยๆ จนกระทั่งเหลือแค่แวบเดียวก็ขาดแวบเดียวก็ขาดไม่ทุกสุดท้ายไม่ทุกอีกความทุกเคยหนักมากทุกแบบอยากฆ่าตัวตายเลยความทุกข์ก็จะเบาลงเรื่อยๆแค่เป็นทุกข์นิดๆหน่อยๆทุกข์แค่พอรู้สึกรู้สึกพอทนได้อันนี้สําหรับคนที่ยังไม่ได้มักได้ผลอะไรนะ ถ้าได้มักได้ผลแล้วก็ความทุกข์ไม่ถึงใจละอยู่ที่กายเท่านั้นงั้นเราจะเรียนขอบเขตที่เราจะเรียนก็แค่นี้เองเราเรียนรู้ทุกอยู่ที่ทุกอยู่ในกายในใจทุกทางกายเราจะอยู่กับมันโดยใจไม่ทุกทุกทางใจจะถอนออกไปเคยทุกมากก็จะทุกน้อยเคยทุกนานก็ทุกสั้นเดือแป๊บเดียวเรื่องอะไรต้องทุกนานๆ เรื่องอะไรต้องทุกข์มากมากวิธีการที่จะพ้นออกไปมันมีอยู่ถ้าเรารู้จักศึกษาการจะรู้ทุกได้เนี่ยเบื้องต้นเลยนะพวกเราต้องรักษาศีลห้าก่อนถ้าพวกเราไม่มีศีลห้านะใจเราจะฟุ้งซ่านมากศีลห้ามีความจำเป็นศีลห้า น, นี้ไม่ต้องขอคนอื่นไม่ต้องไปขอที่พระนะ แต่ถ้าทำพิธีกรรมประกอบพิธีกรรมก็ขอไปตามประเพณีในความเป็นจริงแล้วมันอยู่ที่ความตั้งใจของเราเองอยู่ที่เจตนาถ้าเรามีเจตนาที่จะ ง, งดเว้นการทำบาปอากุศลทางกายวาจา5อย่างนั้นก็เรียกว่าเรามีศีล5้าเรียบร้อยแล้วตั้งใจรักษาไว้ศีล5ข้อรู้จักไหมข้อ1ว่าไงภาษาไทยข้อทอะไร ห้ามฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมนะไม่พูดไม่ไม่จริงพูดเท็จพูดสออเสียดนะพูดคำหยาพูดเพ้อเจอ้อนะ์ะไม่กินสิ่งเสพติดนะไม่เสพสิ่งเสพติดห้าอันนี้นี่ทำให้กายวาจาของเราเรียบร้อยศีนแคหนึ่งสอสามสนะจะทำให้เราไม่ไปลุกรานคนอื่น ด้วยกายด้วยวาจาลุกรานด้วยการทาร้ายเขาบ้างด้วยการแย่งของเขาบ้างแย่งคนรักของเขาบ้างไม่ไปรังแก่คนอื่นข้อสี่ไม่ลุกรานคนอื่นด้วยวาจาไ่หลอกลวงเขาไปใส่ร้ายเขาไปอะไรเขาไปด่าว่าเขาส่วนข้อห้าเนี่ยจะช่วยเพิ่มสติเรากินเหล้าเมายาขาดสติง่ายเพราะขาดสตินะโอกาสทาผิดศีลข้อหนึ่งสามก็ทำง่าย การรักษาศีลเบื้องต้นอยู่ที่ตั้งใจความตั้งใจนะไม่ต้องสวดไม่อย่างทันเตวิสูงวิสูงอะไรสวดไม่เป็นไม่สําคัญหรอกนะอยู่ที่ความตั้งใจเว่าเราจะไม่ทําชั่วทางกายทางวาจานะไม่กินเหล้าเมายาตั้งใจแบบนี้ทุกวันนึกอยู่เรื่อยๆนะคอยเตือนตัวเองเวลาจะด่าเขานะต่อไปเราเตือนตัวเองบ่อยๆพอจะด่าเขาแล้วใจมันจะระลึกขึ้นได้ว่านะอย่าด่าเขาเดี๋ยวผิดศีล เห็นคนเขาทำโทรศัพท์มือถือหล่นเหมือนรุ่นนี้อยากได้พอดีเลยใจอยากได้ใจโลภไม่เอามันผิดศีลเนี่ยจะคอยเตือนตัวเองไว้นี่การรักษาศีลในเบื้องต้นอยู่ที่เจตนาต่อไปถ้าเรารักษาได้ดีขึ้นนะเราจะมีสติคอยรู้ทันจิตของเราคนทำผิดศีลได้เพราะว่ากิเลสครอบงําจิตราคะครอบงาจิตนะ โทสะครอบงาจิตโมหะครอบงาจิตถ้าทำสิิสินห้าได้ยัาเมื่อไรเรามีสติรู้ทันนะทุกคนรู้จักราคาโทสะโมหะทุกคนรู้จักอยู่แล้วโกรธเป็นไหมรู้จักโกรธไหมรู้จักโลบไหมรู้จักรักไหมรู้จักเกลียดไหมรู้จักดีใจเสียใจฟุ้งซ่านหดหู่รู้จักไหมอิจฉาเป็นไหมอิจฉา แม้เนี่ยนานๆาาชนิดของกิเลสนะยังมีหลายหลายสิบหลายร้อยตัวก็ตามเหอะย่อลงมาก็คือโลภโกรธหลงนั่นเองทุกคนรู้จักอยู่แล้วโลภเป็นยังไงก็รู้จักนะอยากได้ลักษณะของโลภคืออยากได้อยากดึงเข้าหาตัวลักษณะของโกรธที่อยากผลักออกไปนะลักษณะของหลงก็คือจับอารมณ์ได้ไม่ชัดเจนสับสนนะทุกคนรู้จักโกลภโกรธหลงอยู่แล้วต่อไปนี้นะโลภเกิดขึ้นในใจรู้ทัน โกรธเกิดขึ้นในใจรู้ทันนะหลงฟุ้งซ่านไปรู้ทันลังเลสงสัยรู้ทันใจหดหูรู้ทั น, สสท น, ทนค่อยรู้ทันกิเลสทั้งหลายที่เกิดในใจเรารู้บ่อยๆนะเดี๋ยวศีลจะมาเองง่ายไหมความรู้สึกทั้งหลายเรารู้ได้อยู่แล้วนะรู้ได้ทุกคนนะแต่เราล้าเลยที่จะรู้อย่างเวลาเราขับรถอยู่คนปาดหน้าเราโกรธพอเราโกรธเนี่ยเราจะไปดูให้คนที่ปาดเราใช่ไหม เราไม่ดูว่าใจกําลังโกรธเนี่ยกลับข้างนิดเดียวเลยนะเห็นสาวสวยใจชอบเขานะคนทั่วไปไม่ไปดูสาวเดินตามไปเรื่อยๆนะบางทีผู้หญิงบางคนเห็นสาวสวยก็เดินตามนะชอบเหมือนกันเดี๋ยวนี้โลกนี้สับสนมากขึ้นแนะ้ะเห็นสาวสวยชอบก็รู้ว่าใจชอบคนทั่วไปหมดจะไปดูสาวสวยไม่ดูว่าใจกําลังชอบเวลาโกรธใครทําให้โกรธนะก็ไปดูไอ้คนนันะ้นแหละ หรือไปคิดถึงคนนั้นนะที่ทําให้เราโกรธเราลืมตัวว่าใจเรากําลังโกรธนะง่ายๆแค่นีนะ้ต่อไปนี้เราคอยสังเกตที่ใจของเราบ่อยๆนะใจเราโลภขึ้นมาคอยรู้ทันใจเราโกรธขึ้นมาคอยรู้ทันใจเราฟุ้งซ่านคอยรู้ทันใจเราสงสัยคอยรู้ทันนะใจเรามีกิเลสอะไรเนะีรู้ไปเรื่อยๆ อ, อิจฉาเป็นกิเลสพวกไหนโลบโกรธหลงอิจฉาเนี่ย อิจฉาเนี่ยเราอยากให้คนที่เราอิจฉาอยู่กับเรานานๆไหมเราอยากให้มันหายไปใช่ไหมไม่ชอบมันอิจฉามันงั้นเราอยากผลักมันให้กระเด็นออกไปเป็นโลภหรือโกรธโกรธใช่ไหมดูง่ายๆ อ, าอะไรเดียกลัวกลัวเนี่ยเป็นกิเลสตัวไหนเป็นโกรธหรือเป็นหลงกลัวเวลากลัว กลัวผีเชิญผีเข้ามาไหมอ อ, อยากผลักให้มันไปไปเลยใช่ไหม เ, ออเพราะงะั้นกลัวเนี่ยก็เป็นโทสากนะออตอะห น, นี่ขี้เหนียวอะตะกูลอะไรนี่ชักดูยากแล้วตอนนึกว่าโลภ เ, เวลาสังเกตใจตรงนี้นะได้ง่ายเลยนอกจากใจใเวลาโลภนะใจมันไปดึงเข้ามาเวลาโกรธใจมันผลักออกไปแล้วนะสังเกตที่ความรู้สึกก็ได้ เวลาโกรธเนี่ยนะถ้าตะกูลโทสะนะีใจจะไม่แช่มชื้นไม่สบายใจนะแต่ถ้าเป็นโลภนะสบายใจหรือไม่ก็เฉยเฉ ย, ยสังเกตง่ายๆอย่างนี้วิธีดูกิเลสนะว่าอยู่ในตะกูลไหนนะถ้าหากใจเราไม่แช่มชื้นกนะ็อยู่ตะกูลโทสะเวลาเกิดความรู้สึกขี้เหนียวเนี่ยแช่มชื้นไหมไม่แช่มชื้นไม่สบายใจใช่ไหมกลัวมันมายืมตังเราเย่เี ไม่สบายใจอยากผลักมันให้หายหายไปเลย ไ, ไอ้คนนี้โผลมาทีไรมาขอตังค์ทุกทีเลยมันจะเป็นตะกูลโทสานะตอนนี้เนี่ยวิธีวัดนะทุกค น, นรู้จักกิเลสอยู่แล้วแต่ไปนี้นะราคาเกิดขึ้นรู้ทันโทสากเกิดขึ้นรู้ทันฝึกแค่นี้แหล ะ, ะฝึกเบื้องต้นนะเอาแค่นี้ก็พอเหลือเฟือละหลวงปู่ดุลเคยสอนหลวงพ่อนะการปฏิบัตินะไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติ อ่านหนะังสือมามากแล้วนะต่อไปนี้อ่านจิตตนเองจิตโลภขึ้มารู้ทันจิตโกรธขึ้นมารู้ทันจิตหลงขึ้นมารู้ทันรู้จักหลงไหมใจลอยรู้จักใจลอยไมใจลอยก็รู้ว่าอ้าวใจลอยไปแล้วโกรธขึ้นมาก็รู้ว่าอ้าวโกรธไปแล้วนะโลภขึ้มาอ้าวโลภไปแล้วนะมีคำว่าแล้วด้วยนะราปล่อยใจให้เราไปทำงานตามธรรมชาติเนี่ย แ, แล้วมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นมาเราค่อยรู้เอา ลบขึ้นมาก็รู้โกรธขึ้นมาก็รู้หลงขึ้นมาก็รู้ฝึกตัวนี้ไว้ให้ดีนะถ้าฝึกตัวนี้ได้มากๆนะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจะมาเองถ้าคอยดูอยู่เนี่ยเพราะอะไรศัตรูของศีลก็คืออะไรคือกิเลสกิเลสหยาบหยาเนี่ยลบโกรธหลงหยับหยามเนี่ยศัตรูของสมาธิคืออะไรก็คือกิเลสเป็นกิเลสที่ประนีตขึ้นไปนะเขาเรียกว่านิวรกิเลสที่ละเอียดขึ้นไปอีกนะนิวรเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นกระตุ้น ให้ใจเราฟุง้งซ่านไปศีล ส, สมาธิปัญญาปัญญาก็สู้กิเลสนะปัญญาสู้กิเลสคือสู้กับความโง่ความโง่นเนี่ยเป็นโคตรเง่าของกิเลสเลยเป็นบิดามารดาของกิเลสเลยความโง่ความไม่รู้อริยสัจเพราะฉะนั้นศะีล ส, สมาธิปัญญานะเอาเข้าจริงเนี่ยเป็นเครื่องสู้กิเลสเท่านั้นเลยะศีล ส, สู้กิเลสอย่างหยาบคือโ ล, โลดโผหลงหยา บ, ยาบ สมาธิสู้กิเลสระดับกลางๆเรียกว่านิวนะความพอใจในรูปความไม่พอใจในรูปเนะี่ยความฟุ้งซ่านความอะไรพวกเนี้ยนะความลังเลสงสัยความหดหู่นะี่เป็นกิเลสระดับที่ไม่รุนแรงมากนะทำให้ใจฟุ้งซ่านเท่านั้นเองยังไม่ถึงทงลลงี่ทำให้ผิดศีลถ้าถึงโรคกรดลงนี่จทำให้ผิดศีล ส่วนปัญญาเนี่ยเอาไว้สู้กับความไม่รู้ปัญญาเป็นความรู้ความจริงสู้กับความไม่รู้ความไม่รู้คือคําว่าอวิชชาความไม่รู้เป็นกิเลสนะตะกูลโมหะเป็นกิเลสที่พระณีษที่สุดลึกซึ้งที่สุดแล้วศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเอาไว้สู้กิเลสเท่านั้นเลยนะงั้นก่อนที่เราจะสู้กับกิเลสเนี่ยเราก็ต้องมารู้จักศัตรูก่อนเราจะสู้กับใครสักคนเราต้องรู้จักเขาซะก่อนรู้จักเขาซะก่อนรู้จักตัวเองรู้จักเขาซะก่อน เคยได้ยินชื่อสุนวูไหมเคยเคยได้ยินชื่อไหมรู้เขารู้เราใช่ไหมรบร้อยศึกก็ไม่แพ้แต่สุนวูลบที่เลยแพ้ทุกทีเลยตัวมันมันแต่งตำราเก่งรู้เขารู้เขารู้ศัตรูอะไรเป็นศัตรูของเรารบกรดลงเป็นศัตรูนะนั้นเราต้องรู้จัก ความโลภมารู้ทันความโกรธมารู้ทันความฟุ้งซ่านหดผูมารู้ทันความรังเลสงสัยมารู้ทันคอยรู้ไปเดื่อรู้ที่ใจเรานี่เองรู้สบายๆเวลาตามองเห็นนะใจเราก็เกิดลบกรดหลงขึ้นมาเวลาหูได้ยินเสียงใจก็เกิดโลบกรดหลงเวลากินของอร่อยใจเกิดกิเลสไห ม, ไมลิ้นได้รู้จากรสนะลิ้นกระทบรสลิ้นได้ไ ด, ได้ได้สัมผัสรส อ, อร่อยใจเกิดกิเลส ตาเนี่ยไปเห็นรูปใจเกิดกิเลสหูได้ยินเสียงใจเนี่ยเกิดกิเลสอย่างคนชมเราเนี่ยใจเราพองเลยใช่ไหมโอกูแน่ว่ากูดีไว้เนี่ยคนดา่าใจหงิกเลยใช่ไหมใจมีโทสะกิเลสมันเกิดขึ้นเมื่อตาเห็นเมื่อหูได้ยินเมื่อจมูกได้กลิน่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกายสัมผัสยุงกัดรู้สึกไหมเวลายุงกัดรู้สึกยังไงพอใจหรือไม่พอใจไม่พอใจ คนส่วนใหญ่พอยุงกัจะดูยุงใช่ไหมตีให้ตายพวกเรานักปฏิบัตินะยุงกันไล่ ย, ยุงไปแล้วสังเกตใจเราเหย่ย ใ, ใจเราเนี่ยใจเราหงุดหงิดนำคาญเนี่ยกิเลสเกิดละเกิดที่ใจใจหงุดหงิดให้รู้ทันนะตาหูจมูกลิ้นกายกับทบอารมณ์นะกิเลสก็ เ, เกิดกิเลสเกิดตอนไหนอีกนอกจากตอตามองเห็น ะมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสกิเลสเกิอตอนไหนได้อีกลองนึกซิตอนคิดสึกไหมบางทีเรานั่งอยู่ดีๆนะหน้าของคนคนนี้ก็โผล่มาอุอินนี่โกงแชร์เราเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยโกรธขึ้นมาอีกไหมกิเลสเกิดได้ใจคิดก็โกรธนะคิดถึงคนนี้ก็รักขึ้นมาใช่คิดถึงเพลงนี้ก็ชอบชอบเป็นอะไร ชอว่าเป็นโลวพะเป็นราคะใช่ไหมได้ยินเพลงนี้ลาคารลาคาญเป็นอะไรเป็นโทสะถ้าใจแค่ใจคิดนะราคะโทสะก็เกิดได้โมหะก็เกิดได้เวลาใจลงไปคิดเนะี่ยโมหะเกิดอยู่แล้วลืมตัวเองลงไปอยู่ในความคิดคิดถึงคนนี้ราคะเกิดคิดถึงนี้โทสะเกิดคิดถึงแคทตาล็อกเคยไปดูมาแคทตาล็อกมือถือใหม่เี่ย โลภะเกิดงนะั้นเวลาใจคิดนะกิเลสก็เกิดเม่กิเลสมีช่องที่จะเกิดได้เยอะมากเลยเกิดเมื่อตาเห็นหูได้ยินเสียงจมงูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสเกิดเมื่อใจคิดนะนี่วันหนึ่งมีทั้งหกช่องนะกระทบอารมณ์ตลอดเวลากิเลสเกิดทั้งวันเลยนะดูยากเราไม่ต้องไปดูที่อื่นเลยนะให้รู้ทันอยู่ที่ใจของเราอันเดียวนะเพราะว่าไม่ว่า ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ลงท้ายกิเลสเกิดที่ใจกิเลสไม่อยู่ที่อื่นหรอกให้เราคอยรู้ทันที่ใจนะโลภขึ้นมารู้ทันโกรธขึ้นมารู้ทันฟุ้งซ่านรู้ทันสงสัยรู้ทันหววถูรู้ทันรู้อยู่ที่ใจรู้สบายสบายใช้ชีวิตธรรมดาเนี่ยมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดแต่เมื่อตาดูหูฟังใจคิดแล้วนะความรู้สึกโลบโกรธลงอะไรเกิดขึ้นรู้ทันเข้าไปฝึกอย่างนี้นะศีลจะมาเองแหละ เพราะว่าลบกลดหลงพอเราไปรู้ทันมันจะดับอัตโนมัติไม่ต้องดับมันนะไม่ต้องพยายามดับมันให้แค่รู้ว่ามันมีกิเลสเนี่ยคล้ายๆหมารอบกัดแบบหมารอบกัดนั้นเล่นทีเผลอเวลาเรารู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะมันทําอะไรเราไม่ได้หรอกนะงั้นต่อไปนี้นะกิเลสอะไรเกิดเรารู้ทันไม่ต้องไปดับมันนะมันจะดับของมันเองถ้ามันไม่ดับก็ช่างมันดูซิเธอจะดับเมื่อไหร่ ดูสิเธอจะอยู่ได้นานแค่ไหนตั้งใจไว้แค่เนี้ยโกรธขึ้นมาดูไปที่ความโกรธรู้ไปว่าใจกําลังโกรธอยู่ดูสิเธอจะโกรธนานแค่ไหนนี่บอกมันอย่างเนี้ยดูไปเรื่อยๆดูซี่จะโกรธได้นานสักแค่ไหนเวลามันเจออะไรชอบนลมันโลภขึ้นมาดูซิเธอจะโลภได้นานสักแค่ไหนดูไปเรื่อยๆต่อไปพอชํานาญขึ้นนะพอแค่รู้ว่าโกรธนะความโกรธจะดับแค่รู้ว่าโลภโลภจะดับนะ รู้ว่าฟุ Calvin ้งซ่านฟุ้งซ่านจะดับรู้ว่าสงสัยสงสัยก็ดับนะความลังเล e, สงสัยก็เป็นกิเลสอย่างหนึ่งนะงั้นถ้าเราเรียนกรรมฐานแล้วสงสัยขึ้นมาเนี่ยทายังไงสงสัยก็รู้ว่ากําลังสงสัยมันเป็นกิเลสแล้วก็รู้ทันมันถ้ารู้ทันมันมันจะครอบงําเราไม่ได้ถ้าเราไม่รู้ทันมันจะครอบงําเราอย่างความสงสัยเกิดขึ้นเราไม่รู้ทันนะเราจะถูกครอบงํำมันจะลากให้เราไปคิดหาคําตอบจะหลอกให้เราคิดหาคําตอบทําให้ใจเราต้องทํางาน รอบกลดลงมันก็กระตุ้นให้เกิดการทํางานของกายวาจาใจนั่นแหละถ้านะเราคอยรู้ทันฝึกเอาแค่นี้แหละนะสำหรับมือใหม่มือใหม่หัดทำกรรมฐานนะลืมคําว่าต้องไปนั่งสมาธินานเดินจงกรมนานมาลหลายๆชั่วโมงนะนะมาเอาฝึกคอยรู้ทันอะไรเกิดที่ใจรู้ทันรู้ทันนะตรงที่รู้ทันต่อไปมันจะรู้โดยไม่เจตนาจะรู้เรียกว่าสติ สติจะเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะเนี่ยเราคอยรู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดในใจเรื่อยๆต่อไปกิเลสอะไรเกิดขึ้นมานะสติจะเกิดเองมันจะไปรู้รู้โดยไม่เจตนาจะรู้นะว่าเอ้ยโลภขึ้นมาแล้วโกรธขึ้นมาแล้วหลงก็แล้วนะฟุ้งซ่านแล้วหวดหู่แล้วยฝนะึกเรื่อยๆนะแล้วศีลมันจะเป็นเองแล้วตรงที่เรารู้ทันกิเลสนะต่อไปสมาธิก็จะเกิดอลองฟังเสียงะระฆังแล้วดูทีใจเราเป็นไง เห็นใจกระเทือนไหมเห็นความไหวของมันไหมใจมันจะไหลายไหววิววิๆๆิววิตามเสียงเสียงมากระทบหูใจยังไหวเลยถ้าไหวๆอย่างนี้นะถ้าไหวแล้วพอใจขึ้นมาะก็จะเป็นราคะขึ้นมาไหวแล้วไม่พอใจ้โทสะก็จะผุดขึ้นมาเนี่ยมันมาจะเนี่ยหูได้ยินเสียงใจแล้วทํางานขึ้นมาผลิตราคะโทสะโมหะขึ้นมาตาเห็นรูปใจก็ไหวนะตาเห็นรูปใจก็ไหววิววิวอย่างเงี้ย ก็ลผลิตราคาโทสะโมหะขึ้นมาไม่ห้ามให้มันผลิ ต, ลตไปแต่มันผลิตขึ้นมาแล้วรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะอย่าไปรอดูอย่าไปรอดูเอาละต่อไปนี้เราจะรอดูว่ามีกิเลสอะไรเนี่ยขณะที่เที่ยวหาอ ย, อยู่นั้นฟุ้งซ่านแต่เราจะไม่เห็นเลยว่ากําลังฟุ้งซ่านเราจะไม่เห็นมีราคาไม่เห็นมีโทสะเลยใจเราฟุ้งซ่านมีโมหะแต่ไม่เห็นแล้ะ งั้นอย่าไปเที่ยวหากิเลสนะให้กิเลสเกิดขึ้นมาแล้วค่อยรู้เอานะแล้วเดี๋ยวสติก็จะเกิดนะศีลก็เกิดสมาธิก็จะเกิดเพราะตัวที่ทําให้จิตไม่มีสมาธิก็กิเลสนี่แหละมันมายั่วนะมายั่วให้เราชอบในสิ่งที่มองเห็นบ้างให้เกลียดในสิ่งที่มองเห็นบ้างอนะไรเนี่ยมายั่วเราพอเรารักเราเกลียดขึ้นมานะใจก็ทํางานหยบัยบหยับเป็นโลภโกรธหลงหยบัยบหยับขึ้นมา ยังคอยรู้คอยรู้ไปได้แล้วต่อไปปัญญาก็เกิดนะปัญญากเกิดเราจะเห็นเลยว่าอกิเลสเนี่ยมันเกิดได้เองกิเลสเนี่ยเราไม่ได้เชิญเลยนะมันมาได้เองบางทีตั้งใจจะไม่โกรธมันโกรธได้ตั้งใจจะไม่รักมันก็รักได้นะตั้งใจจะรู้สึกตัวมันก็แอบไปคิดได้นะมันหนีไหลไปคิดได้เองหลวงพ่อจะพา ด, ดูนะหลวงพ่อจะหยุดพูดนิดนึงนะ แล้วห้ามพวกเราคิดนะพวกที่เข้าคอร์สห้ามคิดเลยนะอา้าวคิดไหมใครคิดยกมือซิห้ามมันไม่ได้หรอกใจมันจะคิดถ้าห้ามได้จิตเก็เป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตานะเราะนั้นจริงๆเราบังคับไม่ได้กิเลสจะเกิดก็บังคับไม่ได้นะกิเลสก็เป็นอนัตตานะจิตใจเราก็เป็นอนัตตาเราสั่งไม่ได้ งั่นเราจะไม่ทำอะไรที่ฝืนธรรมชาติเลยกนะิเลสเป็นของไม่เที่ยงเราก็เห็นมันเกิดขึ้นมาผ่านมาผ่านไปกิเลสเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้มันจะเกิดมันก็เกิดมันจะดับมันก็ดับนะอยากอยากให้มันไม่เกิดมันก็ยังเกิดเช่นอยากไม่ฟุ้งซ่านก็ฟุ้งซ่านเคยนอนไม่หลับัหมเวลานอนไม่หลับอยากจะไม่คิดอะไรฟุ้งซ่านอยากจะหลับแล้วมันคิดไหมก็คิดใช่ไหมห้ามมันไม่ได้ พวกหมอบางทีก็แนะนําอย่าคิดฟุ้งซ่านสิเนี่ยหมออย่างเนี้ยไม่ได้เรียนธรรมะถ้าเป็นหมอที่เรียนกรรมฐานเนี่ยบอกว่าไปคิดอะไรที่มันดีๆสิคิดอะไรที่มันมีความสุขสิไปคิดสิ่งที่มีความสุขนะจิตจะสงบเดี๋ยวก็หลับแต่อย่าไปบอกว่าอย่าไปคิดสิอย่าไปคิดโมโหตัวเองคิดไม่เลิกจะนอนแล้วยังคิดไม่เลิกเลยจนจะเที่ยงคืนอยู่แล้วยังคิดไม่เลิกเลยโมโหตัวเองว่าทาไมช่างคิดนะ บอกจิตนะอย่าไปคิดอย่าไปคิดมันไม่เชื่อหรอกเราห้ามไม่ได้ให้เราดูนะเราดูเพื่อให้เห็นความจริงกิเลสเป็นของไม่เที่ยงกิเลสเป็นของสั่งไม่ไดนะ้ตรงที่เราเห็นความจริงนะกิเลสก็เป็นของไม่เที่ยงกิเลสเป็นของสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้เนี่ยว่ามีปัญญาคำว่าปัญญาในพระพุทธศาสนาสำหรับนักปฏิบัติเนี่ย คือการเห็นความเป็นไตรลักษนณะ์นะอนิจจังทุกขังอนัตตานิจจงเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งที่เคยมีแล้วมันก็หายไปมันไม่มีอย่างเคยโกรธแล้วมันก็หายโกรธนี่เรื่องอ น, นิจจงทุกขังหมายถึงว่าสิ่งซึ่งกําลังมีอยู่เนี่ยกําลังถูกบีบคั้นให้สลายตัวไปนะมันสลายอย่างเราลองหายใจเข้าสิหายใจเข้าไปเรื่อยๆรู้สึกไหมว่าการหายใจเข้าถูกบีบคั้นให้สลายไปทนอยู่ไม่ได้ต้องหายใจออกนะ อันนี้เรียกว่าทุกขังนะทุกขังคือมันบีบคั้นนะบีบคั้นให้สิ่งซึ่งกาลังมีอยู่นี่สลายไปนะอันนี้จังหมายถึงว่าสิ่งที่เคยมีน้่มันหายไปนะแล้วสิ่งซึ่งกําลังมีอยู่นี่ก็ถูกบีบคั้นนะอนัตตาหมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งไม่ใช่ตามที่เราอยากนะไฟจะไหม้บ้านเนี่ยเพราะว่ามันมีเหตุมันมีอุณหภูมิสูงมีเชือเ้อเพลิงมีออกซิเจนอะไงไฟก็ไหมนะ้ไม่ใช่เพราะเราสั่ง เราสั่งให้ไฟติดขึ้นมาไม่ได้นะ hmm. อนัตตาเนี่ยหมายถึงว่าไม่อยู่ในอำนาจ บ, บังคับสิ่งทั้งหลายเป็นไปนตามเหตุอย่างเราจะหุงข้าวให้สุกเนี่ยอยู่ๆจะสั่งข้าวให้สุกไม่ได้หรอกใช่ไหมก็ต้องเอาข้าวมาใส่หม้อใส่น้ําเสียบลักเข้าไปรอเวลามีเงื่อนไขอุณนหะภูมิขนาดนี้มีน้นําแค่นี้มีข้าวแค่นี้ใช้เวลาแค่นี้ข้าวก็สุกสุกเพราะว่ามีเงื่อนไขให้ข้าวสุกนะไม่ใช่เพราะเราสั่ง เดี๋ยสิ่งทั้งหลายนะมันเป็นไปนตามเหตุอันนี้เรียกว่าอนัตตาเฉั้นปัญญาเนี่ยคือการเห็นว่าสิ่งที่เคยมีนะถึงจุดหนึ่งมันก็ไม่มีสิ่งซึ่งกําลังมีอยู่ก็กําลังสลายตัวอยู่นะแล้วสิ่งทั้งหลายจะมีหรือจะตั้งอยู่หรือจะหายไปเนะี่ยเป็นเพราะเหตุไม่ใช่เพราะเราสัง่งนเะนี่ยค่อยๆรู้ค่อยๆดูนะอย่างนี้เรียกว่าปัญญาเราค่อยดูที่จิตเรานี้แหละกิเลสมาแล้วกิเลสก็ไปนี่เรียกเห็นอนิจจงนะ กิเลสแต่และตัวมันอยู่ไม่ได้หรอกเนื่อว่ามันเป็นทุกขังมันทนอยู่ไม่ได้หรอกนะแล้วกิเลสจะมาหรือกิเลสจะไปเนะี่ยเราสั่งไม่ได้นี่เรียกว่าอนัตตานะงั้นการเจริญปัญญาก็เห็นไตรลักษณ์ถ้าแค่ดูกิเลสนะได้ครบเลยนะได้สติได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญางั้นต่อไปนี้ให้กันบ้านกรรมฐานที่สุดง่ายเลยเพลนที่สุดเลยนะเด็กเล็กเล็เขาก็ทําเป็นนะพวกเราไม่ใช่เด็กเล็กแล้วเป็นเด็กโตโตนะบางคนโตมากแล้วนะ ก็คือคอยรู้ทันกิเลสที่เกิดที่ใจตัวเองรู้บ่อยๆกิเลสเกิดแล้วรู้อย่าไปรอดูนะให้กิเลสเกิดก่อนแล้วค่อยรูนะ้จะเห็นเลยกิเลสมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปต่อไปศีลสมาธิปัญญาจิตเกิดเองนะฝึกอยู่อย่างนี้แหละทำกรรมาฐานมันข้อเดียวนี้แหละไม่ต้องเรียนอะไรมากหรอกข้อเดียวนี้ทำให้ได้บ่อยๆแค่นี้ก็เหลือเฟือลนะการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติ อ่านหนะังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองนี่คือประโยคแรกเลยนะที่หลวงปูดุลสอนหลวงพ่องือนหะลวงพ่อก็สอนพวกเราประโยคแรกนี้แหละนะต้องภาวนาให้ได้อย่างหลวงพ่อนะเพราะฟังธรรมะอันเดียวกันแล้วเออเอ้าวไปกินข้าวนี่หมดเลยครับ